ท่ <c oughs> ท, ทุกคนโดยดั้งระดับรับฟังกันมาโดยส่นใหญ่พวกเราที่มาประชุมกันในวันนี้ต่างชาต่า ง, า ง, างคนก่อต่า ง, างมุมมาปฏิบัติใส่มาศึกษาเพรด้านศึกษาําหรับตาราหรือรดับรับฟังเรียกว่าการศึกษา มันต่างคนเคยศึกษาเคยสดัพระปรางมาเาะนั้นด้นศึกษาพวกเราเคยผ่านมาพอต้องควรนาครัความดีวิเศษจะเกิดขิ้จากการศึกษาการจำตำหรับตำราโดยสัญญาของเราแล้วเราทุกท่าน คงจะถึงมักคผลนีพพานกันเพราะต่างผ่านต่างคนเลยจดจำได้เอาแบบนี้พานหรือมีมดแต่จิตของพวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นทั้งจดจำได้แน่นยำจิตของเราก็ยังมีที่เหลือปัญหามาแลที่จดอยู่ ในเป็นไปตามคําจจำที่เราจำมาดังนั้นเราจึงจำเป็นในการปฏิบัติปฏิบัติายใจของเราที่มันคิดข้องที่มันขุ่นมัวที่มันเศ่้าหมองกำจัดปัดเต่าที่เหลืออาชว่า มีอยู่ในใจในวาจาในใจของเราในตัวออกไปถึงเราจะืจำได้หรือไม่ได้อย่างจำหรักตำหลาถ้าหากความเห็นความเป็นเกิดขึ้นในตัวของตัวแล้วเป็นของที่มีคุณค่าสามารถที่จะยังตัวของตัวได้รับความสงบความเยือกเยน กากรอธิษฐานการปฏิบัติจึงเป็นของสาคัญยืนฝังการกรดับรับฟังแต่การกรดับรับฟังนั้นก็เป็นของสาคัญคือการกรดับรับฟัเป็นแสนที่แต่ตาการปฏิบัติเป็นผู้เดินตามแสนที่แสนที่เี่ยะบอก จุดนั้นจุดนั้นแต่เราจังไลยไปกันอเม่ต่างรันแทนที่เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปถึงจริงจังแสนที่กับความเห็นไปจากชาดเจนในตาของเราจิตกันยฉะนั้นการประพัติปฏิบัติก็คือลงมือทำจริงจังเป็นด้านการปฏิบัติส่วนตัวมีทั่วจิดถู อยากละเอียดจิตใจที่ฝึกฝนอบรมฝึกปฏิบัติจะรู้เห็นเจนขึ้นจากตัวของเราเองสำหรับตำลาไม่เคยเป็นที่เหลือตัณหาไม่เคยจะไปสวรรค์ขานที่เหลือตัณหาเกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นจากกายจากใจของตัวเราเมื่อเป็นเ่นนั้นตามปฏิบัติจึงควร ทีนี้ทนะี่เจนาเหย่ยดกายใจหับไล่สิ่งที่เราไปกำหนัดดีๆเล่อนโยงต่างๆให้หมดไปการที่เจนนะาขาดขันสี่พวกเราเคยยึดมั่นสำคัญหมาไหวยิงไหยทางว่าจับไ่าบุคคลว่าเขาว่าเราต่างๆเราต้อง เอาปัญญาเขา้ามีติจนาจีงจังอยางให้เห็นตามความจริงของมันธาตุันอาญตนะผู้ที่เยศึกษาเพียงบอกแต่ว่าพ่อวกรองเข้าใจแต่ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาธาตคืออะไรธ า, าตทาุที่ผสมกันเข่าถึงก็มุดขึ้น ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นศาสตรเป็นหนึงคนโดยส่วนใหญ่ที่เราถือกันสมงตกันก็คือ่าทั้งสีได้เกิดขาดดส่วนสี่คนสี่แห้งสมมตว่าเป็นขาดดส่วนสี่เลี้ยวี่เอ่อป่าสมมเป็น่าสน ส่วนทีโอคุอนต์สมดเป็นผาดไฟส่วนที่พั ด, ด ไ, ไปพัดมาพัดสิ่งทัานลงเหยียบผาดลงผาดทั้งสี่นี้มีอยู่ในตัวขอพวกเรานอกจากนั้นก็อากาศที่คานคหรยอวิญญาณนะล้าความรู้ต่างๆถ้าเรานี้ขานาที่เจนากันจริงจังแล้ว เขาไม่เป็นหญิงเป็นชายไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลแต่เราแยกออกด้วยเจตพัญญาต้องเราจริงจังว่าอะไรเป็นคนผมไม่ไเป็นคนผมมันกลมใว่ามันเป็นคนฝนไม่เป็นคนฝนเรียกว่าฝนที่เป็นแต่เรื่องสมมตแต่เขาเออผู้ที่ถือสมดเขาไม่รู้จัก ว่าเขาเป็นศัพท์เป็นบุคคลเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นสดวนอื่นเ่านี้เป็นของผสมกันขึ tahun, <the> ้นม <the tri> ีขึ้นเมื่อมันมีแตการเกิดขึ้นตามแรงคว l ตามกระฉับกระชันนั่งติดตรงมืแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดของมันเมื่อเราทราบและพิ่เจนา ในจิตเห็นจิตเข้าใจอย่างนั้นความจำพันหมันหมายรายญิ้งราชาวยาดสวยว่างามต่างๆมันจะหมดไปตกไปเพราะจิตดวงเดียวเท่านั้นไปลุ่มหลงไปยิดมั่นต้องการหมายถ้าหากมันเห็นมันเป็นขึ้นจริงจในจิตในใจมันปล่อยมันวางไม่ยึดไม่ถือ นี ư này, ư ่เลยจเกิดขึ้นจากจิตไม่ใช่เกิดขึ้นจากสิ่งอื่ส่วนตายนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของจิตมาอาศัยแล้วก็ซื้อเอาว่าเขาว่าเราว่าตัดว่าบุคคลเมื่อจิตเป็นผู้หลุมหลงจิตเป็นหัวหน้าเหมือนกันกับหัวรถไฟตายเหมือนตู้รถไฟ จิตชาคิดตรงไปในส่วนดีกายก็ักอยากจะทำดีไปตามจิตวอ ก, กวรไปทางทั่วกายก็จะต้องถูกไปตามจิตคือทำทั่ทวขุดทั่วไปตามแต่นั้นตัวสำคัญในตัวเรากคือจิตจิตเป็นของสำคัญและเป็นของขุดได้ ไม่เยลียววใสัยสำหรับผู้ที่จะที่นี้จน่าเอาธรรมะออกฝึกหัดดัดซ้อมจริงๆยึดจะต้องยอมจำนนยึดจะต้องละสอนยึดยึดยีต่างๆไม่อย่างนั้นทุกท่าที่เกิดมามีที่เหลือกันหามาาที่สิเหมือนกัน้ายในมีส่วนนี้ตามเปิด เป็นมนุษย์เรื่องเกิดก็เกิดขึ้นเหมือเพราะหมดเชื่อหมดที่เหลือตัณหาหมดอวิชาอุปาทานคนที่เกิดยังมีเชื่อเลื่องของที่เหลือตัณหาหนาหน้ที่สิบอวิชาอุปาทานเหมือนกันตรงนั้นแต่เมื่อเกิดมาแล้วผู้ที่มีความรู้ความตระห เอาอัดเอาทําเอาไปสุกซ้อมฝึกใจจนจิตใจฟองใสจิตใจละหอนส่วนเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์จนมีมดที่พานใจจ้ามีพวกเราท่านทั้งหลายก็มีตามีจิตมีขาดีถัห ม, ม, มีน้ำใจกับพวกใช้จ้าหรือสาวกแต่เรศใดจะเล่าพวกเราถึงเคยหลุ่มหลง รือขอถ อ, อนเลยได้เพราะเหตุว่าการคิดอ่านการขอดถอนด้านอิปาทานด้านจิตมานะด้านอริชาตัญหาเราไม่ไไมคิดที่นี้ที่จะรายงานหะาแต่เรื่องเพิเ่มเติมให้จิตใจวุ่นวายบ่อควรตัวเองอย่เียเนั้นเรื่องจิติง ไม่มีเวลาที่จะรู้เห็นเรื่องไปจากละหอนความสั่วต่างๆออกจากตัวมีแต่มัวเมาลุ่มหลง เ, เทิดเชิญติดของขนที่สุสดก น, นหนักหน่ว ง, งตัวเองทับที่ตัวเองเดือดร้อนตัวเองแบกบเขาตัวเองฉะนั้น พวกเราท่านจิตเคยได้ระดับรับฟังทําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากปจงเอาใติดเอาปัญญาเอาชาจิตพระพุทธเจ้าเคยไม่สอนมาจำกัดเรื่องที่เหลือกัรหามาหน้าที่จิตมาสอนจิตของตนให้รู้ให้เห็นให้เด่นชัดจากทวามัวเมาเฝ้าฝันจาก ตามเต่าหมองสองจิดให้เป็นจุดที่เยียบเย็นให้เป็นจุดที่คล่องใสให้เป็นจุดที่ดีเด่นขึ้นจากจุดการอกลมท้องสนการฝึกการอกลมก็ไม่มีจุดอื่นที่นึกเจอในเรื่องของการของใจนี่แหละเพราะ คนเราวขวไฟโดยม า, มากมากอยากรือเรื่องของใากว่าเป็นของสำคัญกว่าใจเกิดนั้นการปฏิบัติาจจึงเอาใจใส่ทุกส่ทุกอย่างไปบ้านอยู่ขี่หลับขี่นอนนอนมุ่งต่างๆ ต, งตลอดอาวมมอาหารการอยู่ชินหามาให้สำหรับาย ได้พักไดอาศัยได้กินได้ดี่มสนุกสบายใจจิตเองได้ค่อยอาหารมาถึงเป็นอาหารของจิตที่ดีที่สุดสาหรัหบธรรมะได้ค่อยอาหามาใจิตที่ฝ่ายน้อยเ ง, งาไม่มีกําลังที่จะต่อสู้ที่นี้ที่เจรนาอะไรลอาเป็นอาหารของจิตก็คือธรรมะ ถ้าหานมีธรรมะมีสติมีพิจารณาตือต่อเรื่องของทีเหตอตัณหาเรื่องขอ ง, ของความยึดถือตายต่างๆพิจารณาแยบแยะดูเหหูให้เ้าใจตามตามเป็นจริงข้องมันนั้นก็จะมีความสงก จิตนั้นก็จะมีความปล่อยวางจิตนั้นก็จะมีความเบาความสบายการพิจารณาจิตด้วยการหาอาหารให้จิตต่อคือเป็นของส้คัญเหมือนการจับเรื่องของายเพราจิตอย่างเดียวเท่านั้นแหละทงห้เรามาองข้าเราหม่จะเพื่อปฏิ บ, บัติตามโอวทาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปล่อยเอาไว้ในจิตไปเผลเผลอมัวเมาในเรื่องของโลกจิตจะมีความเจ่าหมองจิตจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายไปต่างๆเมื่อจิตเจ้าหมองเดือดร้อนเราก่อเป็นสุขจะมีความสุขความสบาย เป็นของสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของการจิดเสียอย่างเดียวสมบัติทัศน์ฐานบ้านช่องจะมีมากมายกายกองขนาดไหนก็รักษาได้คนจะมีรูปร่างกายตามสมวัตถุสวยงามขนาดไหนถ้าหากจิตเสียจิตนิพพิเกิดบ้าเกิดบอเสื่อมคนนั้นประหมดคุณค่า ถองร่างกายโลกเขาจะสมมุติว่าสวยงามขนาดไหนก็หมดคุณค่าน่าสรรประโยชน์ไมยได้สมบัติภายนอกก็เหมือนกันถ้าหาจิตเสียแล้วจิตไม่ดีแล้วสมบัติส่วนนั้นก็ไม่มีความหมายฉะนั้นเรื่องการฝึกอบรมจิตจึงเป็นของสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราท่านควรฝึกควรอบรม จิตคือตึกอบรมดีแล้วนาความตึกมาให้สมตามในธาตุที่ว่าจิตางพันตังสึกสาวาสน์การฝึกการอบรมจิตเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแต่ใจคนอื่นจะมาฝึกให้การตึกจิตแต่น้มตึกจิตก็คือการชี้นิจจารณาธรร ที่เจร น, นาตัวของเราเรานี่แหละเป็นรูปปัตถธรรมส่วนอี่เห็นโดยตานา ม, ม่ธรรมก็คือสิ่ง้อยู่ภายใน <c oughs> ถ้ า, าเราไปมองสิ่งอื่นหนาสิ่งอื่นก็จะไม่เห็นธรรมธรรมมันอยู่ในสถานที่นี้ผู้ที่ดูผู้ี่รูู้้ที่เข้าใจ ในส่วนของกายของจิตจิงใจู่นั้นมีวันมีเวลาที่จะละที่เหนือการหาให้ที่สุดเป็นมิหมดได้ถ้าเมาลุ่ ม, ามาหมลงตามกำหรับกำลาเกิดเคยนไปตามลามปากของคนอื่นไม่ใช่ที่เจลินาเอาไว้ยาวะของตัวดนีมันกลบ ไม่มีเวลาสิบสะรถอนได้การถอนการละตางจากการจดการจําจากจำหรับจําลับการเห็นการรู้จากการประพฤตปฏิบัติมีคุณค่าราคามหาศิจรูป น, นั้นพวกเราท่านที่มือหน้าม่งตามาต่อพฤตปฏิบัติจงฝึกหัอกอบรม ตัวของตัวเอาสติกำหนดที่นิจารณาเอาปัญญาแยแยแยดูอะไรที่เราลุ่มหลงว่าศักดว่าบุคคลว่าสวยว่างามที่นิจารณาติดตามจริงจังในตัวของตัวเรานี้มันจบกับจบตัวพ่อยิปง่าทุกสิ่งทุกอย่างมูดพูดที่เขาเกี่ยวกันในที่ต่างๆ ไม่ชอบไม่ยินดีมันออกไปจากที่ไหนไม่ได้ไหลออกจากเนือจากตัวของสัตว์ของบุคคลอีความจินมนุษย์เป็นของสุกรปกยิ่งกว่าสัตว์อืน่นเช่ด้วยเพราะสัตว์ตอืน่นเนื้อหนังของเขายังมีปู่นิยมชมชอบหายได้ยินไดน้แต่เนื้อหนังของมนุษย์ ตายไปมีคุณค่ า, คาอย่างไรไม่มีใครนิยมซื้อไม่ได้หายไม่ออกเป็นของตกระกบอาหารการสกฉันอยู่้ายนอกรสชาตหรือดีดีเมื่อเข้ามาสู่ปากของเราปกเกี่ยวเขลไปแล้วเราถิกลื่นได้ก็เพราะอาศัยที่ไม่ถึง ถ้ า, าเราถายออกมาดูจะเป็นอย่างไรอาหารที่เราปกบขันกันทุกวันอยู่กินกันทุกวัน น, น, นี้มันเป็นของสกรปรกโตโคก อ, อย่างยืงยง่นนี่ตาไม่เห็นก็เลยลืน ล, ลงไปได้ถ้าต า, าเห็นมันจะเป็นอย่างไรนี่แหละหงกายของเราอยู่ด้วยฟองเน่าวฟองเหม็นฟองสกรปรกเราอร่อยอร่อยเพราะเห็ เราคนที่เจนะอมาเยบทายจริงจังอาหารจะมีเย็นขนาดไหนถ้าหากไม่มาทุกเท่ากับเรื่องน้ำลายของเรามันก็คืนไม่ได้จะต้องดุกน้ำลายหรือมูลพันต่างๆเรียก่อนถึงจะค่อยตกลงไปสู่ลำออคอหรือฟองของเราเมื่อตัวของเราดึง็นของสกรปรกทุกอย่าง พออาหารเป็ของสกปรกเดี๋ยเราไปชอบพอยินดีว่าสวยอย่างนั้นงามอย่นี้เราไปอยู่ที่เจรนามูลเกิดของมันว่ามันเป็นอย่างไรเลือดที่มันมีอยู่ในเมื่อในตัวของเรามันสวยไหมคนไหนมีเลือดเป็นอย่างไรเรายังไปกินเลือดไปชอบเลือด ว่มันสวยแรงงานอย่างนั้นหรือใครดย่อยไปผ่าไปที่นอนของเราเราสา ม, มารถจะนุ่งได้นอนได้มั้ยมันโฉกระโปรงน่อมหมูกหน่อมลายเหมือนกันไมนมีอะไรที่จะสวยสดงดงามภายในตาของมนุษย์พิจารณาดูให้รู้ให้สอยใจเพื่อจะมาห้ใจหลงตำหนักมาหาใจหลงยินดีอะไง ถ้าหาเราติดข้องอะไรยึดถืออะไรส่วนนั้นแหละเป็นไข่สาหรับตัวของเราเพื่อจะ ท, ท, จทาะําจิตทําใจพวกเราให้เดือดร้อนถ้าเราปล่อยได้วางได้ไม่ยึดถือส่วนใดส่วนนั้นไม่มีไข่มีอันตรามันเย็นมันสบายมันเบายึดดูทุกอย่างพ อ, อรู้พอเข้าใจ สมบัติมีอยู่ทั่วโลกเป็นสมบัติของโลกแต่เมือ่ออยู่ในที่อื่นยางไม่ตกเข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราถือว่าเป็นของของเราเขาจะเอาไปที่ไหนเราไม่มีการเสีย อ, อกเสียใจแต่มาตกเป็นของตัวเราเราถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วสมบัติส่วนนั้นเข้ามาขโมยไปเสียใจร้องห้าเสียใจอาค่ะ กบุคคลคือเขามาล่วงเกินขโมยไปขารู้จักชปนอย่างนั้นในเรื่องชาติขันของเืินการในต้องว่าสมบัติส่วนอีกถ้าเรายึดอะไรคืออะไรว่าเป็นของของเราใจของเราจะเศร้าหมองใจของเราจะเดือดร้อนเมื่อส่วนนั้นมันเปลี่ยนแปลงแต่ควัญไปหรือถูกอะไรเข้าเกี่เราแมบสาสม จิตใจพวกเราเดือดร้อนก็เพราะความยึดถือถ้าปล่อยได้วางได้เท่าไรใจจะมีความเย็นความสบายไปเท่นั้นในคิดทีนี้ที่จะรายานให้ทีพุ่ อ, อย่าให้มันไปยึดไปถือถาหาเป็นพวกเราเราบอกไม่ให้แชร์ไม่เท่ า, ามันก็คงบอกได้สอนได้ไม่บอกไม่ได้ไม่ให้แชร์ให้ตาให้เจ็บให้ปวด มันตัวเจ็ปบปวดปวดใจตามเรื่องพวกมันมันจป็นันธ์อันหนึ่งเป็นเรื่องอันหนึ่งเป็นมาหาวิทยาลัยอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องศึกษาแต่รู้ให้พอใจให้จบเรื่องของที่เหตุการณ์ที่มันเกาะติดอยู่ในจิต ใ, ในใจของเราถ้าหากเงินจบที่จะนาจบละ ได้ถอนได้วางได้การพิจารณายังไม่จบหรือเงินยังไม่ถึงความหลงก็ยังจะมีเกาะจิตเกาะใจอยู่เรื่อยไปการพิจารณากายพิจารณาใจจึงเป็นเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติสําหรับละถอนความยึดถีอไปแจ่ปฏิบัติหามาเพิ่มเติมให้จิตหนักหน่วง อธิบัติรู้เท่าไรวางปล่อยเท่าไรใจยิ่งเบายิ่งสบายจนวางสมุติได้วางโลกได้เหนื่อยไดใจปวดจะมีความหลุดลอยออกไปจากโลกความหยุดลอยด้วยความพ้นจากโลกเป็นอย่างไรผู้ที่ปล่อยวางได้จะรู้จักทั้งทั้งสิ้นมีอวัยวะเหนือตาอยู่เหมือนคนอื่น แต่จิตใจทัองทักเป็ น, นอย่างไร ท, ทราร่านจากะจากการปฏิบัติท่องฉะ น, นั้นพวกเราที่ยึดตุดข้ อ, ขอในเมื่อในตัวบ่คือพากันทีนิจเรินาเพราะสถานศึกษาใม่อยู่ที่อื่นมีอยู่ในตัวของเรามีเลสคือความเศ่าหมอง มันมีอยู่ในสถานที่ใดเรารีดกจำจัดออกไปจากสถานที่นั้นเพราะสิ่งอื่นไม่เป็นที่เหลือแข็งขาเอาไว้แล้วหูตาไม่ใช่ที่เหลือขาพิจารณาแล้วตัวจริงจังกเครองจิตถ้าจิตหมดเรื่องเดี๋ยวแข็งขาเอาไว้แล้วหูตายังมีอยู่ หมดเรื่องไปดูๆไปตามๆันไม่มีอะไรจะเกิดี่เหลี่ยตั้งหัยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเรา่านสําเร็จเป็นพระอาหารหัตอรหันต์ไม่มีที่เหลื่ยมตนอย่าุ้ของเนสัมทธิเนพระอต์รหันต์ไ่มยเล่ังหนองพระธองมทิ์พระอ์อัตไมียี่เหลยมตกอย่าานที่ไ็หนก็อไม่มีที่เหลือตั้หาทสัธนอ รบควรท่านทั้งๆที่สัตวมีอวัยวะเหมือนพวกเรามีไม้ถึงใจมีบริสุทธิ์มีหมดที่เหนือส่วนอื่นก็ไม่เป็นที่เหลือสิจิตจึงเป็นปนัจจัยสำคัญที่พวกเราทุกท่านจะพิจะะารณาชาระมันพอจุดมันไปหลงความหลงก็ไม่ยากทีกอยากจะให้กำห น, นับยินดีก็ได้ คิตไปอย่างนั้นคิตไปอย่างนี้ว่าดีอย่างนั้นสวยอย่างนี้งามอย่างนั้นมันก็เกิดกำนัินดีๆขึ้นได้คิดให้ ม, มันละความกำลันดีๆก่อนคิดหาความผิดช่องมันอะไรมันสวยอะไรมันงามพิจารณาติดตามเข้าไปจริงๆจริงจังๆขาดอันนีน้มันไม่มีความหมายอะไร เราแบบขาดยิ้มขาลมขาดไปมันไมมีความหมายขาดจิตใจหนึ่งหลงจิตใจรู้มันไมมีความหมายตามกำนังยินดีของจิตตัางหากจิต ท, ทากายหเล้ยงเปิดจิไปชอบอย่างนั้นยินดีอย่างนี้นเป็นเรื่อ ง, งของจิตพอจิตออกจากล่างไปเท่านั้น จะเอาไปเชิญกันไว้ทั้งหญิงทั้งชายไม่เห็นพขากำลังยินดีในกาแลกกันม่แต่หน้าที่จะเฉยเหนาไปอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมชาติเท่านหมนไม่มีใครจะไปเกิดเผิ อ, อมมวเมาเฝ้าสันจะเป็นคนประเทศไหนสวยงามอย่างไรเคยเป็นนักเมีนตามมาอย่างไร ไม่เต็นไปตาจิตเลยนี่นี่ก็กรู้พอคข้ยใจได้เ่รเป็นเรื่องของจิตจิตทำไมถึงไปหลงไปเทินอย่่งนั้นก็เพราะจิตจำคันมันหนาอย่างนีรมคำตำราต่างๆคิดไปตรุงไปโดยอำนาจของที่เหียตัญหาขับดันแต่มันก็ หากดันได้จะขําหรับคนที่ไม่มีอัดคำคนที่มีอัดคำแล้วที่เหตุปันหามันัวดมันที่นพิจะะารณาให้เห็นตามเป็นจียงอญ่านงะอย่าไปหลงมันความหลงไม่ใช่ทางดีเวลานี้ก็เป็นเวลาที่พวกเรามาก่อเพื่อปฏิบัติกันตั้งหน้ากำหนดที่นิพพิจะะารณา ให้จิตมันเห็นมันยอมจำนนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจังจิตเป็นคนหลงจิตนั่นแหละจะเป็นคนครู้จิตเดือดร้อนจิตนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เหยื่อเยื่อจิตต่า ง, ง, างอาักบุบฝึกอบรมฝูบตามเรื่องของทำแล้วทําเคยสําระเคยสะสารนิเวศน์ตัณหา ของมนุษย์มานับจํานวนหม่ถ้วนในใช่แต่สมัยปัจจุบันสมัยพุทธศักราชไา้ชำระมาแล้วผู้ที่ตั้งหน้าต่างๆตาปฏิบัติในสมัยปัจจุบันท่านก็นเลี้คุณค่าของความว่าเป็นสิ่งี่กราบตามที่เหตุการณ์บาบตามอาวิชาอุปาทานเราทุกท่านที่มุ่งมั่นมาปฏิบัติ เราอย่าลืมอาวุธอาวุธก็ไม่ใช่อีกอะไรคือสติคือปัญญาสติทรอะไรกรู้ต่รู้ในเวลาผิดคิตผิดจงต่างๆปัญญาเนี่ยสอนว่ามันผิดจิดอย่างไร คิดไปจะเป็นโสดเป็นไทยคิดข้องหรือเป็นเรื่องละเล่ออ น, ะละ น, นก่อนในพิจารณาเสียก่อนอย่าเพิ่งคอยคิดคอยทำคอยสืบฝันเมื่อผู้ที่มีแต่จิปัญญาพิจะะารณาอยู่อย่างนี้วิเลี่นกันหาจิตเคยมีอยู่ในจิตในใจนับวันนับเวลาที่จะตกออกไปนะหนอยอนนั้นคงยังไม่เจอ ปฏิบัติทำขออ่านแล้วสนใจเป็นใจเป็นอย่างนีนอย่างนี้เจอในสิ่ที่เกิดสมอยากนักปฏิบัติศึกษาเมเนเราการปฏิบัติธรรมะพวกเราท่านที่มาบวชในพระพุทธศาสนา ความมุ่งหวังตังใจของคุยใหญ่หูืพอแม่ของมุ่งอยากจะให้หลูกหลานของตนมีควาบวชมีความหยุความดีเล้งเวลาอุปกรณ์หรือาโลกฝ่ายธรมความมุ่งหวังตใจของผู้ใหญ่ให้ตมาศึกษาให้ต่อมาป็บั ท่านพีโอสาธิเข้ามาปฏิบัติในวัดในคนักอย์อาจารย์ขณะเวลาที่เราอยู่ในวัดในกปฏิบัติอาจเป็นผีเป็นสารด้ไหมไม่มีการอัดข้องี่วอะไรเรควรจะพี่นิจเจริญนาแสตชัยให้ความ เหล่านั้นตกไปในตาณใจของการปฏิบัติสะดวกสบายธรรมะของมระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรอื่นจากกายจากใจของพวกเราดังนั้นการศึกษาการปฏิบัติหรือปฏิบัติใจวายใจของนั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่ศึกษาและการงานด้านอื่นของผู้ศึกษามาเลนักบวชก็ไมีอะไร นอกจากจะมีสติกำหนดใจของตนว่าเป็นอย่างไรเจริญวิเชียงเป็นสายผู้สนเลือกอู้ส้นเปสายโลกหรือสายธรรมแต่ต้องมีสติตรวตสอบที่ไม่ชี้แจงนาอยู่ทุกระยะเวลาในปล่อยให้สัญญาอารมณ์สวนอื่นดึงเอาเวลาวันให้เสียไปเมื่อผููใด มีความใส่คิตในติจเรยนาศึกษาฝึกหัดดัดแต่ทีปัญญาของตนอย่างนี้คิตของตนถืเอเคยตายแต่วนวายไปท้ายนอกพอจะลับเข้ามาอ ย, ยู่ภายในจะมีความเยือกเย็นทางใจของตนมาอย่างนั้นวันคืนที่ผ่านไปก็หมดไปป่ามันเป็นสารประโยชน์อะไรให้การบวดเลยไนมี คุณพาราคาอะไรอาจจะเกิดสงสัยในตัวเองว่าเราไม่มีวัสนาเราบวชเป็นพระเป็นเนรปฏิบัติอาจทำไม่รู้ไม่เห็นอะไรอาจจะเมาไปอย่างนั้นก็ได้หรือไม่อย่างนั้นก็จะเมาไปว่าการนี้สมัยนี้เวลานี้พระพุทธเจ้ารวมรับหลับกฐานที่นี้ทานไปนานแล้วมรรคผลธรรมะวิเศษคงไม่มีความสงสัยส่วนนี้จะเกิดขึ้น เพราะไม่เห็นไม่เป็นในตัวฉะนั้นทุกท่านที่ต่างหน้าต่างๆมาประบฤติปฏิบัติอัดทำจงอากันหิบเลนงวันไหยทําเพียรให้มากเท่าจะไปนอนหลับพับติดเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องควรอย่างยิ่งที่พวกเราทุกท่านจะขยันหันเพียรในการภาวนาเพราะร่างกาย ก็ยังไม่มีการเจ็บป่วยอะไรพอจะต่างหน้าต่างตาขอเพือปฏิบัติได้ดิ้มปาอากาศพอเหมือนกันหม่ร้อนนะนม่หนาวนะสงควรแล้วที่พวกเราทุกท่านที่มาบวชในศาสนาจะมีทิศจริญนากรับทรุงตัวของตัวใค้ดีขึ้นไม่อย่างนั้นจะเสียวันเสียคืนเสียเดือนเสียปีไปป่า การปฏิบัติอย่าไปคิดว่ามันยุ่งมันยากมันลําบากลำพานให้คิดเที่ยว่าการปฏิบัติเพื่อตัวเองจึงจะลําบากยุ่งยากขนาดไหนก็เพื่อกายเพื่อใจของตัวให้รับความดีนิเศษให้รับความสุขความสบายข่าวเห็นเร่องไปหนอกยุ่งยากลําบากทําไปไิดไหน่อยก คือว่าตัวได้ทําเพียงเท่านั้นมาเป็นเดือนถัดฟางกา ร, ป, รฏปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะไม่มีวันเวลาที่จะทํามพ้นไปจากที่เหลือกันหาได้ฉะนั้นการนะสอนใจของตัวเป็นของจำเป็นเพราะเราทุกท่านมุ่งมั่นจะมา ป, ฏ, ปฏิบัติไม่ใช่ว่ามาเล่นมาเตินมาหลับมานอนให้สอนตัวอยู่ทุกการทุเกเวลากำหนด ศึกษาในกายในใจเป็นของสําคัญกายใจของพวกเราท่านเป็นบ่อกเกิดของความหลุ่มหลงเป็นบ่อกเกิดของทีเหลืตัณหาในใจที่เหลือตัณหารั่วไหลเข้ามาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากตายจากใจของนั้นตายข้าหามีกําลังเขียวแงดงดีก็ ม, มักอยากจะเกิด ที่เหลยดตัณหาฝ่มพักใจได้ในเมื่อเรายังไม่ถึงสู่ซีมุสเนคามเป็นอย่างนั้นเกลียดนั้นการฝึกหันหรือหลับนอนเป็นเคื่องส่งเสริมที่เหลือตัณหาอย่างหนึ่งซึ่งจะทําจิตใจให้ฟุ้งซุงไปต่างๆนานาเพราะอานาจของร่างกายของเราแข็งแรงดีผลเลยชื้อว่ายจะไปทำอันนั้นทําอันนี้ได้สะดวกสบายเพราะร่างกายมันเป็นอาวุธอันหนึ่ง เหมือนกันกับโจรมีอาวุธยอมกล้าที่จะไปปล้นสีในที่ต่างๆน่ะใจเมื่อมีกายเป็นอาวุธเือกายเป็นกํำลังดีไม่ปวดไข้ไม่ออดแอไม่เม็ดเหนื่นจิตจะพุ่งปรุงไปต่างๆนานาเหตุนั้นการข่มกิเลตัญหาท่านจึงท่ามีสติปัญญาที่นินจเจรนาข่มสี จะหาวิธีใดที่จะแนะสอนใจท่องตนให้ผมสี่ที่เหลือตันหาได้ผมตายและผมใจได้กปอกหาวิธีสอนตนวิธีสอนตนคนอื่นสอนให้เป็นวิธีของคนอื่นตัวคองตัวคิดได้สอนตัวเองนั่นแหละเป็นสาระประโยชน์มากหาไในที่นี้ที่เจริญนาเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะ บิดบีประเสริฐิเศษด่าการปฏิบัาตาิจิตใจใจขอเคยปฏิบัติฏิบัติกันมาสําหรับครูอาจารย์ต้องผ่านมาก่ อ, อนว่ามันเป็นอย่างไรต่ออย่างไรและคกผมฉีดเวทีใดนั่นเป็นเรื่องของขั้นเราผู้มาอปฏิบัติถาดำเนินตามขั้นที่มีพิจรารณาตามข่้นและ ผมที่เดดตัณหาเอาไว้ไม่ใหนใจผุ่งกลุ้มไปภายนอกกาหนดอยู่ในใจในใจสม่ําเสมอไปกายใจที่เคยผุ้งเฟื่องไปตามอารมณ์ต่างๆจะได้รับความสงบเบาสบายขึ้นเพราะที่เดชตัณหามันเกิดขึ้นจากสิ่งนี้ไม่ได้เกิดมีมาจากสิ่งอื่นถ้าหากจิตของเราดีจิตของเราสงบส่วนอื่นมันก็สงบส่วนอื่นมันก็สบายไปหมด พีทเราพุ้งตีท้องเราปรุงเดือดร้อนส่วนอื่นกว่็ลอยเดือดร้อนไปต่างฉะนั้นข้อตั้งพันจึนอูที่ตัวพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราขาดอะไรซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำมรรคผลนิทานให้เกิดขึ้นไม่ได้กายพวกเรามีหรือไม่ใจพวกเรามีหรือไม่กุศลสติมีอยู่ในที่ไหนวิริยะตามเพียนมีอยู่ในที่ไหน ใครจะเป็นคนทำาทาหากตัวพ่อตัวเรานักปฏิบัติจะไม่ไม่ทำในที่นี้ที่จะะารณาสอนตัวสม่นเสมอไปเพราะทุกอย่างเพราะมูลบริบูรณ์อยู่แล้วนี่แต่เราจะลงมือทำให้เห็นนักเห็นผลเกิดขึ้นในตนของตนเท่านั้นการเห็นการเป็นในตัวเป็นของมีคุณข่าเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว ทางจะพูดจาปลาใสอะไรไม่มีการหลงดืมไปตามเขาไม่มีการเอยียงไปตามลมปากของคนเพราะมรรคผลที่ตัวเห็นตัวเป็นมันประจักษ์อยู่ในตัวของตัวเองดังนั้นการปฏิบัติศาสนาที่จะรู้เห็นเจนขึ้นกาอา็อาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นสันเลขาธรรมคือกำจัด บาดเตจิตใจผัดเต่าที่เรียกตันหาให้ตกออกไปทีนิดนิหน่อยจนจิตใจเกิดความบริสุทธิ์ุดฟองขึ้นเพราะจิตใจเป็นของผัดเต้าได้ใสเหลือไลี้ยงใาหามีสจิตที่มีที่เจร น, น, นามีปัญญาแน่สอนตัวถ้าหากปล่อยเอาไว้แล้วแต่มันจะเกิด จ, จะเป็นจะเห็นเจ้คนนั้นอยู่จนกระทั่งวันตายก็จะไม่เกิด ความดีนี้เป็นได้สมาชิกเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรอธิเสียงอธิจิตอธิปัญญาเป็นอย่างไ ร, ร, งไรมรรคผลนิทานเป็นอย่างไรจะมีความสงสัยตลอดไปเพราะจิตใจของตนไม่เห็นไม่เป็นหากจิตใจของตนรู้เห็นเป็นขึ้นคนอื่นเขาจะมาพูดอย่างไรความเห็นองใจของตัวเชื่อเองเข้าใจเองเป็นปัจจัยต่าง ไม่มีการบันไว้ไม่มีการเชื่อไปตามลมปากของเขาหนี้ไถยานเกิดขึ้นแล้วในตัวของเราด้วยการตอบทิ้ปฏิบัติเมื่อเห็นชัดเข้าใจจริงอย่างนั้นท่านคนนั้นแหละจะอยู่ในสถานที่ใดมีความสุขใจเพราะไม่มีที่เหลือตัณหาไม่มีอริชาอุปาทานเข้าไปเกี่ยวแฝวนจิตใจวงนั้นมีความสว่างสวยมีความบริสุทธิ์ฝุดหอมอยู่ ทุกตามทุกเวลาถึางร่างกายจะป่วยไข้ได้ทุกขนาดไหนใจที่ ụ, บริสุทธิ์ไม่เคยมีการบั่นไหวไม่มีคนไม่เคยมีการเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุใดเพราะความบริสุทธิ์นั้นไม่ใส่ผ้าไม่ใส่ขันไม่ใส่โลกสมมติเป็นคว า, ามบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์อยู่ในฐานผูกปกติปฏิบัติได้ถึงจึงไม่มีการเสีย หายไปตามการตามเวลาเสียไปตามเรืออ่องข้องขัดยังคงเส่นคงว่าอยู่อย่างนั้นร่างกายจะตายไปยขันก็เม่เสียใจเพราะร่างกายเกิดมาต้ อ, องมีการเสื่อมสลายเป็นธรรมดาของมันแน่ที่ิจรณาร อ, อบคอบส่วนเหล่านี้เราพวรยิ่งยังไม่ถึงวิมุติสุด ของสมมาสสาสสาจรารย์โกตองตังนาตังตาทิจารนาบูชาพยายามจำจัดป่าเจ่าที่เหตุอัญหาด้วยความขาดความเพี่ยนท้องตอนอย่าปล่อยวันคืนปีเดือนให้หมดไปเปล่างจ่าเสียที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพพุทธศาสนานอกจากนั้นดิดามานดามุ่งหวงังตัง้งใจอยากจะให้ลูกของตัวออกมาประเพื่ปฏิบัติอาธรรมก็เป็นผู้ดีที่สุด ตัวของเราพอมานอนหลับทักผิดไม่เล็ดคิดได้ปรุงแก่ไขเรื่องกายเรื่องใจให้ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นไม่ได้การที่จะดีขึ้นก็เพราะอาศัยตัวข้องตัวมุ่งหน้ามุงตาตัวที่ปฏิบัติดีองจัดชั่วอยู่สม่ำเสมอจิตใจจึงจะฟองใสจิตใจเยเือกเยน็นจึงจะเป็นธรร ทาเตือนทุกคนควรจะทีนี้ที่เจราญนาแนะนตัวของตัวเพราะพวกเรามุงหน้ามุงตามาเ่อเพื่อปฏิบัติในใส่มาเล่นมาเตินมาคุยมาหลับมานอนอย่างแค่นะั้นรเขาก็ทากันได้ของที่ดีที่เศษ น, นั่นแหละเป็นของทำยากเมื่อทําทได้ัวมีคุณค่ามากสวงกับการ แต่ทำบ่อนเต็มท้องตนคนที่มีความดีพิเศษได้โดยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยตัดชาตามเชื่อมีเชื่อพระพุทธเจ้าว่าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ขุดของจริงขดอะไรออกมาตัดอะไรออกมาเป็นเท่ารายจารถิเหนืยุติผเป็นที่เชื่อถือได้ทํำคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวามิจตธรรม นะผู้ประกอบิบัติให้ถึงที่สุดทิ่มุ่งเน้นทางด้ายสิสงสาวัผู้ประกอบพิฏีบัตรชอบยังถูกปฏิปโนโนอุถุปฏิปโนโนยายญาสาไม่ผิดกอต้องตั้งหน้าตั้งตากินนิพพิจารณาตายใจส่วนนี้จนจิตใจละของส่วนที่เคติดข้องน้าจิตใจร่องใสจิตใจเบิกบาน มีความังหงาผ่าเผยทุกการทุกเวลายังมีอยู่ในโลกหากผูกกัพฤติปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้ชื่ว่าเป็นสุปฏิปันโนไม่เลือกว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นใครก็าตามหาคิตเข้าถึงความดีวิเศษราชิเดสถอนตัณหาออกได้ ไมนิยมเพศในนิยมไว้เป็นสุปติปโนโันโนรวยการเท่นานะการรู้เห็นเซนขึ้นคือปฏิบัตินี้ปฏิบัติต่ำปฏิบัติเพื่อทำจริงจังแล้วผู้นั้นแหละถึงยังไม่เห็นไม่เซนก็จะเห็นจะเซนขึ้นเมื่อเห็นเซนขึ้นก็เรียกว่าสุปติปันโนผู้ที่ควรแก่จับสาระบูชาจาา่าวป่าผู้ที่เป็นมุณ า, าบุญของโลกด่ง ถ้าหาเพียงแต่เพศเหลืองเหลืองท้าขาวเที่ยงแคนั้นไม่ปฏิบัติกันแล้วถูกปฏิบันโนกก็ไม่มีในตัวของบุคคลเหล่านั้นและคนเหล่านั้นจะพูดว่าเป็นสาวของพระพุทธเจ้ายังไมดับเพราะกายใจยังต่อพืชชั่วยังติดติดอยู่สกปฏิปันอกหมายถึงผู้ปฏิบัติตดีมีทางกายมีทางอายะจมีทางใจ มุ่งหวังต่อคุณพิเศษสม่ำเสมอไปทุกอาตตาิริยาที่ทาที่พูดทคิดมุ่งหวังแต่จะให้จิตของตนสงบระ ง, งับดับพิเรนไม่ใช่คิดปรุงปุ่งไปตามอา น, นาจัลดันของพิเรนหาให่ได้คือว่าเป็นสุ ป, ปฏิปันโนถึงยังไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้คนนั้นแหละไม่วันใดกวันหนึ่งจะถึง ทำเพี้เนเพีนขึ้นจากการตัวขึ้นปฏิบัติของคนเพราะผู้สุปฏิบัติโนปฏิบัติตนก็ทำสอนของผู้ใช้จ่ า, าอยู่อย่างนั้นถ้าหากไม่ประพฤ่อปฏิบัติอย่างนั้นขาดฉันหรือเพศนักตัวจะไม่มีคุณค่าราคาอะไรเพราะเพี้ยเหล่านี้ใครเขาบอกทาออร์ด้าที่เด่นหาให้ตัว สำหรับคนที่ทำทั่วคิดทั่วหรือนอนใจแต่ผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีธรรมศึกษาความเพียรในใจที่เดือดตันหามันตัวเพราะผูน้นี้มุ่งหน้ามุ่งตาจะฝ่าฟันกับเรื่องที่เดือดตันหาเสมอไปใจจะมีความว่าหานในการ ป, รปฏิบัติทุกคน ที่หมุมหน้ามุมตามาต้นพืชปฏิบัติควรทีนี้ที่จะได้นะอย่าให้วันเวลาผ่านไปเปล่าเอาความดีจากวันเวลาเอาความดีจากการต้พืชปฏิบัติกายใจของตอนให้ได้ไม่อย่างนั้นจะเสียใจภายหลังเพราะร่างกายน้ำวันที่จะทะลุทุตโสมจะเข่าใจแก่หรือไม่อย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บตัวมีเลือดไว้ที่จะเกิดขึ้นได้ เดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้เราทุกคนไม่มีโรคไข้ไข้ไเกิบอะไรเพรที่จะเป็นอุปกรณ์ตัดท้องใจเพราที่จะประพฤตปฏิบั ต, ติได้ทำทำแนะนำทำสอนท้องพระพุทธเจ้าถ้าไปรีบเร่เงควันควายปอบป่วยจะทําบําเพ่นในเวลานี้เวลาอื่นก็ไม่แน่ว่ามันจะเป็นไปอยู่อย่างไรฉะนั้นจึงควรสอนใจข้องสอนประพฤตปฏิบั ต, ติให้รู้ให้เห็นให้เพิ่มขึ้น ความสองของพระพุทธเจ้ า, า, าจะเป็นของอัจฉรย์พิเศษประเสริฐขนาดไหนจะไปทับใจขพราะผู้รู้ผู้เห็นไม่อย่างนั้นค้ามเชื่อก็อจะงมงายอึดตุมเดาเราต้องเชื่อโดยการเห็นการเป็นของตัวเองจากการส่อเนืปฏิบัติจึงจะเป็นความเชื่อที่แน่นอนเป็นอัจฉริยะัทถางไมเชื่อมั่นไม่หวนไว้ใจะ ปูดจาตาใสหรือยกโทษอย่างไรด้วยอํนานาจคนตามดีที่นีอยู่ในใจเห็นไปจักชัดแจงอยู่จะไม่มีการบันไหวยุ่มหลงไปตามเดือจของเขาเพราะร่มปากของคนดีทั่วมันชมได้ตำหนิไ ด, ด้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็เคยโดนตําหนิมาเหมือนกันทั้งที่พระ อ, องค์บริสุทธิ์ปูดพองอยู่แต่พระ อ, องค์ก็ไม่อรงหวั่นไหวไปตามรมปากของเขา เือเราเมื่อเห็นเมื่อเป็นยิ่งขึ้นจากจิตจากใจเหมือนพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าคือไม่บันไึกต่อโลกแต่ทำความเป็นความเห็นไปจากชัดเจนอย่างไรจะประทับในใจของตัวเองเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึง่งเขามิยอมท่วยคอบกันโลกเขาหรือกันแต่ จิตใจของผู้ปฏิบัติผู้เห็นชัดเจนเกิดการพิจารณาแอบตายแล้วจะไม่มีการลุ่มหลงหรือติดข้องในส่วนนั้นฉะนั้นการศึกษาการประพฤติปฏิบัติท่านจึงให้ิจารณาเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่อันอื่นเกิดเป็นที่เรียกตัณหาไม่ใช่อันอื่นเกิดเป็นวิชาบิมุตดเพื่อจิตใจดวงนี้เองคมกวอยู่นี้สั้นกวอยู่นี้ชาเป็นนิสไม่ใช่อี่อื่น กัรศึกษาจะไม่ควรจะไปสงสัยลังเลใจเพราะเรามีกายมีใจ <c oughs> เหมือนถ้าพทธเจ้าหรืออราาิยสาวกไม่ขาดตรงปกชั้งอะไรทุกอย่างเราข้อมูลบริบูรณอยู่แล้วควรที่จะนะสอนตัวเองให้สร้างหานในการต่อเพืปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนทองตนและ เพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นตัดอื่นที่ได้สาบานจากระบูชาเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกดาหากเรานักปฏิบัตินักบวชไม่ฟล้าทำตามดีไม่ยอมเสียสละเห็นแก่การหลับการนอนการเดินการเดินแล้วคนอื่นภายนอกเขาจะเ่อมใส่ศรัทธาได้อย่างไร เพราะเพศนี้เป็นเพศผีเสี่ยสลับเป็นเพศที่ตั้งหน้ามาตังยุทปฏิบัติแต่อาตมาปัญญา่าติทุกอย่างเคยเป็นฆราวาสอย่างไรเข้ามาเป็นชะเป็นเนียนก็ยังเป็นอย่างนั้นจะถือว่าเป็นนิสัยนิสัยผีเสี่ยปนส่วนที่เหล็กกควรละถ้าหากเป็นนิสัยจริงจังอย่างถ้าอ่านภาษาวกฟหรือปู่บริสุทธิ์แล้วนั่นเป็นนิสัยจริงท่ทานในต้อง ระวังสงสยัยเรื่นี้ใส่ผู้ท่านเป็นอย่างไรท่านไม่ังทับส่วนใดที่มนเกินไปเถื่อโลกกวา่าะถึงตาโลกเขาจะสิสิมิาพากท่านปล่อยไปตามเรื่องนิ้ใสของ้ท่านเพราะท่านหมดโทษหมดที่เหลืจะรักษาให้ดีก็ไม่ดีได้จะท่าหัวเสียมันหัวเสียไปในนได้เป็นเรื่องนี้ใสาตายตัวนี่เราไม่เป็นอย่างนั้น ท, ทั้งสิมิพาก ม, มีขัน มีายมีใจเจอชีเลตัญหากาแสงอยู่ภายในทําอะไรยังเกลีอบลนไปด้วยที่เลตัญหาให้ชำระเรื่องที่เลตัญหาออกจากใจทําดีจนให้ใจถึงที่สุดมีมุดนิสัยนิสัยของเราเป็นอย่างไรจะเข้าใจในเรื่องนิสัยตนเองโดยไม่ต้องไปดัดแฟลงอีกเพราะเป็นนิสัยหรือว่าไม่มีที่เลตัญหาเข้าไปเกี่ยวแสง มีเร่องของนิสัยส่วนการที่นิพิจารณาเลื่องกายใจมันมีทางที่จะแยกแยกทิ่นิพิจารณาไนดะ้ตามนิสัยวาทนาตามแต่สปัญญาของตนคนที่หลุ่มหลงกันเถิดเทินเทินหันต่างๆตลอดถึงสมบัติทัตศฐานภายนออกก่ออกไปจากกายจากใจถ้าหากไม่มีกายมีใจแล้ว สมบัต e ิส่วนอื่นจะมีมากมายหลายหลวงขนาดไหนในเคยเป็นไทยเป็นเรียนในเคยทําความดีใจเสียใจให้แก่ไทยเท่านั้นสมบัติเป็นสมบัติท่าพิจารณาใจตายพิจารณาใจแจงชัดเรื่องสมบัติไทยนอกเป็นของสี่สิ่งสี่อาศัยในเหนือมีสี่เจนอยู่เรื่องของกายที่เราหลุมหลงก็คือเราในเด็ก พิจารณาแยกทายใจว่ากายจะเป็นของมั่นคงถาวรหรือเข้าใจว่ากา ย, น, า น, ย, ย, ยนี้นนนเป็นของผิวตปมีโรคไใจเบียดเบียนหรือเข้าใจว่ากายนี้เป็นของผิวสะอาดสวยงามด้วยความไม่พิจารณาแยกกายอย่างนั้นจึงลุ่มหลงเพลิเพินไปในเรื่องของกายแล้วเมื่อลุ่มหลงในตัวของตัวส่วนอื่นภายนอกก็พล อ, อยลุ่มหลงไปตาม เพราะตัวเป็นปัจจายแต่นั้นการพิจารณาายการพิจารณาใจจเป็นของสำคัญเป็นของสี่นักปฏิบัติทุกท่านจะต้องสนใจในควรมองข้ามเพราะอันอื่นออกจากกายจากใจทางนั้นที่ร่วมหลงผัดค้องก็คือรุ่มหลงเรื่องใจเรื่องใจของตัวแล้วก็เรื่องอืนย่อมเกิดขึ้นติดตามมาเป็นผลคอยได้าน แตนั้นการพิจารณาใจจะแยบถ่ า, าเท่าไรให้ิจรารณาลงไปอยบถ่ายทิ้งที่สุดท้อมันว่าถาดอันอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึน้นจากของตังกวกับกหรือเฟ้องสวยงอแงมันจะตั้งมั่นอยู่ได้ไหมหรือมันจะแยบพวนไปอย่างไรพิจรารณาดูทุกซ่องทางให้จิตยอมจำนวนเห็นชัดไปจับ แล้วมันจะละจะถอนเหลือดฟองตายไปอเองพอมันเห็นชัดปรจากษอย่างนะั้นถ้ายังไม่เห็นชัดยังไม่ยินพอในการพิจะะารณามันไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็นี่จะการ็นหุ่มหลงเมืดมนทับผมใใเ ข, าเขา้าจิตใจของผัวเราทันเช่นอย่างนะั้นความลุ่มหลงเพิดเทินในกายเป็นของใหญ่โตสามารถที่จะ ขอบโลจโรกทั้งสามี ên, ่ท่านสาวเอาไว้ขอบพ่อหลงตายหลงใจคงตัวเองถ้าผู้ใดที่มีพิจารณาแกมแแกนชัดเจนเห็นไปจักเรื่องท้องใจจะเหลืออยู่กอนเรื่องท้องใจที่ไปติดข้องทนเชยว่าสุขวาดสบายอย่างนั้นอย่างนี้ติดนิดติดทางละเอียดท้องใจส่วนนั้น น้อยหนักหนาสำหรับบุคคลผู้ปกติปฏิบัติเมื่อไปถึงจิตนั้นขั้นนั้นแต่จิปัญญาอันละเอียดจะตามที่นิิจานาเข้าไปทไลร่ความอง่ไข้ยึดมั่นต่างๆจนทำลายความรุ่มหลงเหลือ่อยฉาให้หมดจากใจได้ทขอสำคัญก็คือเรื่องของกาย สิบหวเราขันยังรวมหลงกันอยู่เพราะจิตยังอยู่ในขันมูลขันไปผมควรศึกษาควรพิจารณาให้แยบชัดให้ข่อใจเรื่องร่างกายชาติเรียนเที่ยวก่อนเมื่อมันหมดความส่องใสในเรื่องส่วนนี้มันจะไหลเข้าไปเรื่องของนามธรรมทุกคนที่ที่นิพิจารณาจะต้องพิจารณานี้ ไม่อด้พิจารณาไปที่อื่นเราพูดใเจ้าก่อนจะตัดสรู้ท่านของพิจารณาตายคือลมหายใจเขาออกนอกจากนั้นทุกท่านที่ผมเคยปฏิบัติอาจทำเกีรร่ยวกความสลุดพ้นไปจากคุณเหตัญหาเจ้าจองพิจารณาไม่เกี่ยวารตายของสิ่งเมื่อเดพิจารณาทีอื่นบมื่เป็นอย่างนั้นเราท่านผมมีด้วยการทุกคน ไม่ควรจะไปสนใจเรื่องอันอื่นยิ่งกว่าได้ปว่าจิตท้องตนวันหนึ่งๆมันเป็นอย่างไรเรื่องของกายเราเดีพิจนารณาแยบทายหรือไมใจมันปรุงมันคิดออกนอกกายไปพิจนารณาส่วนอื่นเรื่องอื่นมีโอกาสเวลากับการพิจนารณาการอะไรมัมากกว่ากันการพิจนารณาใจมากใจจะมีกําลัง ท่าที่จนาภายนอกมากตรงพุ่งตรงไปเรื่องอื่นใจจะไม่มีกำลังวิเลี่ยนจะท่วงครับไม่มีเวลาที่จะสุขจะสบายได้แะนั้นกายก็เป็นของของตัวนีอยู่ทุกคนหน่อยสันที่จะทีนี้ที่จะนาที่จะนาจะทีะลงไปหาขึนเท้าหรือพี่จรณาจากขึนเท้าขึ้นมาหาทีตะพี่จรนาทั้ง หลังหาทางหน้าพิจะะารณาทางหน้าไปทางหลังพิจะะารณาทางแยกท้าจะจัดใจใ จ, ใ จ, ใจออกไปสะดูผ่อนน้อยผ่อนใหญ่เป็นเอนเมื่อหนังต่างๆมันเป็นอย่างไรมัน จ, งน จ, นจึงเกิดความตำหนักคอยใจมันจึงเกิดความสงสัยลังเลว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นอุบายปัญญาที่จะพิจะะารณาเรื่องของตัวให้รู้ให้เข้าใจให้ไปจาก มันเห็นมันเป็นเกิดอุคฮาหารือปฏิภาสขึ้นมันจะมีความเบื่อคันหนักในความหลุมหลงของตัวไม่อย่างนั้นมันไม่ยอมปล่อยวางมันเชื่อว่าตายเราตายเขาอยา่างสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้มันจะมีความหมายไปต่างๆังนแ น, น, น่นะ แตนั่งการพิเจรณาายจึงควรพิจเจรณาแยบทายให้จิตอย่าพาก ina, ันหลับการนอนจนเกินเกลืเกินเวลาในต่างหน้าต่างตาิีเจรนาและป่อเพืปฏิบัติเพื่อจิตใจพอมตนจะรู้เห็นเป็นริงตามทำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้า